พระไตรปิฎกเล่มที่สิบพระสูตรที่สี่มหาสุทัศนสูตรว่าด้วยพระเจ้าจากกักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะในสมัยครั้งหนึ่งเมื่อใกล้จะไปรินิพพานพระผู้มีพระภาพประทับอยู่ระหว่างไม้สาละทั้งคู่นาสารวลันของพวกเจ้ามละผู้ครองกลุงมกุศินาราท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้ากราบทูลดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอย่าได้ปรินิพพานในเมืองเล็กนี้เมืองใหญ่เหล่าอื่นยังมีอยู่ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในเมืองเหล่านี้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนนเธออย่ากล่าวอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นว่ากุศินาราเป็นเมืองเล็กอานน์เรื่องเคยมีมาแล้ว ได้มีกษัตริย์ที่ราชประนามว่ามหาสุทัศนะผู้ได้รับมรรฐาพิเศษเราทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินกรุงกุศินารานี้มีนามว่ากุสาวดีเป็นราชธานีที่จเจริญรุ่งเรืองมีประชากรมากมีเศรษฐกิจดีมีกำแพงล้อมเจ็ดชั้นวิจิตรงดงามอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการ แล้วฤทธิ์คือความสำเร็จสี่ประการแก้วเจ็ประการคืออะไรบ้างหนึ่งเมื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสนานพระเศียรในวันอุโบสถสิบห้าค่ำรักษาอุโบสถเสด็กขึ้นสู่ปราสาทหลังงามปรากฏจากแก้วอันเป็นทิพย์เมื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะทอดพระเนตรแล้วทรงดำริว่าเราได้ฟังเรื่องนี้ว่า กษัตริย์ราธิราชพระองค์ใดปรากฏจากแก้วอันเป็นทิพย์กษัตริย์ราธิราชพระองค์นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเราเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิกระมังลำดับนั้นพระเจ้ามาหาสุทธสิสนะทรงลุกจากที่ประทับทรงชูจากแก้วขึ้นตรัสว่าจากแก้วอันประเสริฐจงหมุนไปจงได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ท่านใดนั้น จากแก้วหมุนไปทางทิตตะวันออกไปทางทิศใต้ไปทางทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือตามลำดับเท้าเธอพร้อมด้วยจากรตูงโลงขินีเสนาได้เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมในประเทศที่จักแก้วหยุดอยู่ในแต่ละทิศพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในแต่ละทิศ่ากันเสด็จมาเป้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะ มหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จราชสมบัติของหม่อมชั้นเป็นของพระองค์โปรดประธานพระบรมราโชวาถเถิดพระเจ้าค้าเท้าเธอตรัสตอบอย่างนี้ว่าพวกท่านไม่พึงค่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมา และจงครอบครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทุกทิศเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อเท้าเธอครั้งนั้นจักแก้วได้ปราบปรามแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอย่างราบคาบเสร็จแล้วหมุนกลับยังกรุงกุสาวดีราชธานีมาปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะ ทำภายในพระราชวังของเท้าเธอให้สว่างสวยัยจากแก้วที่ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะ 2. ช้างแก้วซึ่งเป็นช้างเผือกเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์มีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้เป็นพญาช้างตระกูลอุโบสถซึ่งเป็นช้างโมงคลตระกูลหนึ่งในบรรดาสิบตระกูล ที่ประเสริฐที่สุดพญาช้างตระกูลอุโบสถได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะเท้าเธอทอดพระเนตรแล้วทรงพอพระทัยด้วยพระดำริว่าท่านผู้เจริญพาหะคือช้างถ้าได้นำไปฝึกจะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแน่แท้ทันใดนั้นช้างแก้วเชือกนั้นได้รับการฝึกหัดเหมือนช้างอาชาไนพันดีตระกูลคันทหัถี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 ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามาหาสุทัศนะสม้าแก้วซึ่งเป็นม้าขาวศีสษะดำมีขนปกดุดยาปล่องมีฤทธิ์ออกไปในอากาศได้ชื่อพญาม้าวาลาหกเท้าเธอได้ทดสอบม้าแก้วเช่นเดียวกับช้างแก้วก็ได้ผลเช่นเดียวกันม้าแก้วที่ทรงคณวิเศษเห็นปานนี้ ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามาหาสุทัศนะสมณีแก้วซึ่งเป็นแก้วไพยทูลงามบริสุทธ์ตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุขแววาววได้สัสดส่วนแสงสว่างของมณีแก้วดวงนั้นมีรัศมีแผ่ซ่านออกรอบรอ บ, รอบประมาณหนึ่งโยชน์อานนท์เรื่องมีมาว่าเท้าเธอเคยทรงทดสอบมณีแก้วดวงนั้น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 จะจัดการเรื่องขุมทรัพย์ให้สำเร็จเป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์อานนท์เรื่องมีมาว่าเท้าเธอทรงเคยทดสอบข้าบดีแก้วมาแล้วโดยเสด็จลงเรือลัดกระแสน้ำไปกลางแม่น้ากงคาตรัสกับข้าบดีแก้วดังนี้ว่าข้าบดีเราต้องการเงินและทองเขากราบทูลว่ามหาราชเจ้าถ้าเช่นนั้น โปรดเทียบเรือที่ริมตะลิงด้านหนึ่งเท้าเธอตรัสว่าขหบดีเราต้องการเงินและทองที่นี่ทันใดนั้นขหบดีแก้วจึงเอามือทั้งสองจุ่มลงไปในน้ําแล้วยกหม้อที่เต็มด้วยเงินและทองขึ้นมากราบกุเท้าเธอดังนี้ว่ามหาราชเจ้าเท่านี้ก็เพียงพอเท่านี้เป็นอันทำแล้วเท่านี้เป็นอันบูชาแล้ว เท้าเธอตรัสตอบเช่นเดียวกันข้าบอดีแก้วผู้ทรงขุณวิเศษเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะเจบรินายกแก้วซึ่งเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาสามารถทําให้พระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จเข้าไปณนะที่ควรเสด็จไปให้เสด็จหลีกไปยังสถานที่ที่กวรเสด็จหลีกไป หรือให้ทรงยับยัง้งนณะสถานที่ที่กวรยับยัง้งปรินายกแก้วได้ปรากฏแก่เท้าเธอเขาเข้าเป้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระองค์โปรดอย่า ก, กังวลพระไทยเลยข้าพระพุทธเจ้าจะถวายคำปรึกษาปรินายกแก้วผู้ทรงคุณในวิเศษเห็นป่านนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะ อาน o ์พระเจ้ามหาสุทธิสนะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจประการนี้ทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์สี่ประการอาน o ์พระเจ้ามหาสุทัิสนาทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์คือความสําเร็จสี่ประการคือหนึ่งมีพระรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใส มีพระชวีผุดพ่องยิ่งนักเกินกว่าคนอื่น 2. มีพระชนมายุยืนยาวนานเกินกว่าคนอื่น 3. ม, มีพระโรคาพาตน้อยมีความทุกน้อยทรงมีไฟธาตุทำงานสม่ำเสมอยิ่งกว่าคนอื่นคือไม่เย็นนักและไม่ร้อนนัก 4. ทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพรามและขหาบดีทั้งหลาย อานนนบิดาเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุตรทั้งหลายฉันใดเท้าเธอทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพรามและขหะบดีทั้งหลายฉันนั้นอานนนบุตรทั้งหลายเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบิดาฉันใดพรามและขหะบดีทั้งหลายก็เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเท้าเธอฉันนั้นอานนนพระเจ้ามหาสุทธัสนะทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์สี่ประการนี้ ธรรมปราสาทและสะโบกกรณีอานนท์ครั้งนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดําริดังนี้ว่าทางที่ดีเราน่าจะ ก, กุดสะโบกกรณีมีระยะห่างกันะละหนึ่งรอยชั่วทนูที่ระหว่างต้นตาลเหล่านี้แลรับสั่งให้กุดสะโบกกรณีก่อด้วยอิดสี่ชนิดได้แก่อิฐทองอิฐเงินอิฐแก้วไผ่ทูลอิฐแก้วผลึก สะบกครณีเหล่านี้แต่ละษะมีบันไดสี่บันไดแบ่งเป็นสี่ชนิดคือบันไดทองบันไดเงินบันไดแก้วไพลทูลบันไดแก้วผลึกสะบกครณีเหล่านี้มีรั้วล้อมสองชั้นคือรั้วทองและรั้วเงินพระเจ้ามาหาสุทัศนะทรงดำริให้ปลูกไม้ดอกเช่นนี้คืออุบลปทุมโกมุตบุญทริก อันผลิดอกได้ทุกฤดูการไว้เพื่อมอบให้แก่ทุกๆคนไม่ให้ต้องกลับมือเปล่าท่งตั้งเจ้าหน้าที่หนาหาประกาประจําไว้ที่ขอบสระโบกครณีเหล่านั้นให้ทำหน้าที่เชื้อเชิญผู้มาแล้วให้อาบน้ำส่งจัดสิ่งของให้ทานเช่นนี้คือข้าวสำหรับผู้ต้องการข้าวน้ำสำหรับผู้ต้องการน้ำผ้ายานที่นอน เงินทองสําหรับผู้ที่ต้องการสิ่งเหล่านั้นไว้ที่ขอบสระโบกครณีเหล่านั้นอานน์ครั้งนั้นพวกกรามและกหาบดีถือเอาทรัพย์สมบัติเป็นอันมากนำมาถวายเท้าเธอไม่ทรงรับแต่กลับบอกให้พวกเขานำกลับไปให้มากกว่านี้เมื่อเท้าเธอทรงปฏิเสธพวกเขาจึงปรึกษากันแล้วกราบทูลขอสร้างพระราชนิเวศถวาย เท้าเธอทรงรับด้วยอาการดุษณีลำดับนั้นเท้าสักกาจอมเทพทรงซาพระราชาําริของพระเจ้ามหาสุทัศนะจึงมีเทวบัญชาเรียกวิสุกรรมเท พ, พบุตรมาตรัสว่ามาเธอสหายวิสุกรรมเธอจงไปสร้างพระนิเวศชื่อธรรมปราสาสถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะวิสุกรรมเท พ, พบุตร ทุนรับเทวบัญชาแล้วมาปรากฏกายกราบทูลพระเจ้ามหาสุทัศนะว่าจะเนรมิตรพระราชนิเวศชื่อธรรมปราสาทถวายพระองค์เท้าเธอทรงรับด้วยพระอาการดุษณีวิสุกกรรมเทพบุตรได้เนรมิตพระราชนิเวศชื่อธรรมปราสาทถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะซึ่งวิจิตงดงามมาก ทรงเจริญฌานสมาบัติอนท์ครั้งนั้นพระเจ้ามหาสุทธสนะทรงดาริดังนี้ว่าเหตุที่เรามีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพอย่างนี้ในเวลานี้เป็นผลเป็นวิบากแห่งกรรมอะไรนะ้อทรงดำริดังนี้ว่าเป็นผลเป็นวิบากแห่งกรรมสามอย่างคือหนึ่งการให้สองการข่มใจ สามการสำรวมแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังเรือนยอดมหาวิยูหะประทับยืนที่พระทวารทรงเปล่งพระอุทานว่าการมาวิตกเอ๋ยเจ้าจงหยุดจงกลับเพียงแค่นี้เถิดพยาบาทวิตกเอ๋ยเจ้าจงหยุดจงกลับเพียงแค่นี้เถิดวิหิงสาเอ๋ยเจ้าจงหยุดจงกลับเพียงแค่นี้เถิด อานนนจากนั้นพระเจ้ามาหาสุทธศนะเสด็จเข้าไปในเรือนยอดมหาวิยญฮะประทับนั่งบนบันลังทองทรงสงัดจากกามและอากุศลธรรมทั้งหลายและทรงบรรลุปฐมฌมานคือฌานที่หนึ่งที่มีวิตกวิจารณปีติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่วิตตกในที่นี้หมายถึงการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หรือการปรับจิตลงสู่อารมณ์ เป็นองค์หนึ่งในองค์ฌานหามีใช้วิตกในคําว่าการมวิตกหรือความตึกในทางการพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนเพราะวิตกและวิจารสงบระงับทรงบรรลุทุติยฌานคือฌานที่สองที่มีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุดขึ้นไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายทรงบรรลุตาติยชฌานคือฌานที่สามที่พระอริยสันเรินว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว ทรงบรรลุจตุตถฌานคือฌานที่สี่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่จากนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงออกจากเรือนยอดมหาวิยญาะเสด็จเข้าไปยังเรือนยอดทองประทับนั่งบนบันลังเงินทรงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทิศเบื้องบน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 และอรูปาวจรเพราะมีผลที่สามารถข่มกิเลสได้และหมายถึงฉันทะวิริยะจิตตะและปัญญาอันยิ่งใหญ่ทรงมีกรุณาจิตทรงมีมุทิตาจิตทรงมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตโมทิตาจิตและอุเบคาจิตอันไพบู์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อานน์ครั้นล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระนางสุพัตธาเทวีทรงดำริดังนี้ว่า นานแล้วที่เราได้เข้าเป้าพระเจ้ามหาสุทัศนะทางที่ดีเราควรเข้าเป้าพระองค์อีกจากนั้นพระนางสุพัทธาเทวีพร้อมด้วยหมู่จตุรงคินีเสนาและพระสนมได้เสด็จเข้าไปยังธรรมปราศาสตรขึ้นสู่ธรรมปราศาสตรเข้าไปยังเรือนยอดมหาวิญญหะประทับยืนเหนี่ยวบานพระทวารเรือนยอดมหาวิญญหะอยู่ลำดับนั้น พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสดับเสียงจึงเสด็จออกจากเรือนยอดมหาวิญุาณทอดพระเนตรเห็นพระนางสุพัททาเทวีประทับยืนเหนียวบานพระทวารอยู่จึงตรัสกับพระนางสุพัททาเทวีดังนี้ว่าเทวีเธออยู่ที่นั่นแหละอย่าเข้ามาเลยรับสัง่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าพอพูดเจริญมาทั้งนี้ พ่อจงนำบัลลังก์ทองจากเรือนยอดมหาวิยูหะไปตั้งในสวนตาลทองราชบุรุษนั้นทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเชิญบัลลังก์ทองจากเรือนยอดมหาวิยูหะไปตั้งไว้ในสวนตาลทองจากนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสำเร็จสีหาไสยยาโดยพระพรัดเบื้องขวาซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะ อานน์ลำดับนั้นพระนางสุพัทธาเทวีทรงดาริดังนี้ว่าพระอินทรสีของพระเจ้ามหาสุทัศนะผ่องใส ย, ยิ่งนักพระชวีวันบริสุทธ์ผุดพองเท้าเธออย่าได้สวรรคตเลยจึงกราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะพระองค์ทรงมีเมืองขึ้นและปราสาทมากมายทรงมีบัรลางมีเครื่องประดับอันวิจิตรทรงมีพระราชทรัพย์สมบัติข้าราชบริพาร และสิ่งประนีตงดงามมากมายมหาศาลโปรดทรงพอพระทัยเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ตรัสตอบดังนี้ว่าเทวีเธอพูดทักทายเราด้วยสิ่งอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมาช้านานแต่มาครั้งสุดท้ายเธอทักทายเราด้วยสิ่งอันไม่ น, น่าปรารถนา ไม่น่าไกลไม่น่าพอใจเลยพระนางสุดพัท ธ, ธาเทวีทูลถามว่าหม่อมฉั้นจะกราบทูลอย่างไรละ่ะจึงจะพอพระไทยไปคะเท้าเธอตรัสว่าเทวีเธอจงทักทายเราอย่างนี้ว่าขอเดชะความปลัดพรากความทอดทิ้งความแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีรับองค์ยาสวรรค์โคต ทั้งที่ทรงมีความอาลัยอยู่เลยเพราะการสวรรคตของผู้ยังมีความอาลัยเป็นทุกข์การสวรรคตของผู้ยังมีความอาลายัยบันดิติเตียนพระองค์ทรงมีเมืองขึ้นและปราสาทมากมายทรงมีบันลังมีเครื่องประดับอันวิจิตรทรงมีพระราชทรัพย์สมบัติข้าราชบริพารและสิ่งประนีนงดงามมากมายมหาศาลโปรดทรงละความพอพระทัยสำหรับสิ่งเหล่านี้ โปรดอย่าทรงเย่อใหญ่ในการดํารงพระชนเถิดเมื่อพระเจ้ามหาสุทัศน์ตรัสอย่างนี้พระนางสุพัฒาเทวีทรงพระกันแสงหลังพระอสุชนคือร้องไห้หลังน้ําตาทรงเช็ดพระอสุชนแล้วได้กราบทูลพระเจ้ามหาสุทัศนะอย่างที่เท้าเธอทรงแนะนําทุกอย่างต่อจากนั้นไม่นาน พระเจ้ามหาสุทัศนะก็ได้สวรรค์เท้าเธอทรงมีความรู้สึกขณะใกล้จะสวรรค์เหมือนกหาบดีหรือบุตรกหาบดีผู้บริโภคโชนะาที่ชอบใจและก็ย่อมเมาในรสอาหารเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงจิตอันเป็นสุขซึ่งมีหลักอยู่ว่าเมื่อจิตผ่องใสเป็นสุขก่อนสิ้นชีวิตสุขคติย่อมเป็นที่หวังได้ฉะนั้น พระเจ้ามหาสุทัศนะเมื่อสวรรคตแล้วได้ไปเกิดในสุขติรมโลกอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงเล่นอย่างเด็กอยู่ 84,000 ปีทรงดำรงตำแหน่งอุปราช 84,000 ปีทรงครองราชอยู่ 84,000 ปีทรงดำรงเพศขรหั์ประพฤติปรมจันทร์ในธรรมปราสาท 84,000 ปี เพราะทรงเจริญพรหมวิหารสี่ประการหลังจากสวรรคตแล้วจึงไปเกิดในพรหมโลกสำหรับหน่วยต่างๆในพระไตรปิฎกอยากให้พึงระลึกว่าเป็นสำนวนบาลีที่อาจไม่ใช่จำนวนนั้นตรงเป๊ะนะครับแต่เป็นสำนวนแค่พอให้ทราบว่ามากประมาณเท่าใดพระผู้มีพระภาค ทรงสรุปพระธรรมเทศนาอา n น n เธอคงเห็นอย่างนี้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะในสมัยนั้นคงจะเป็นคนอื่นแน่แต่ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะในสมัยนั้นเรามีเมืองขึ้นและปราสาทมากมายมีบัลลังก์มีเครื่องประดับอันวิจิตรมีพระราชทรัพย์สมบัติข้าราชบริพาร และสิ่งประณีตงดงามมากมายมหาศาลในบรรดาเมืองจำนวนมากในสมัยนั้นเราอยู่ครอบครองเมืองเดียวเท่านั้นคือกลุ่มกุสาวดีราชธานีปราสาทจำนวนมากเราอยู่ในปราสาทหลังเดียวเท่านั้นคือธรรมประสาทาเรือนยอดจำนวนมากเราอยู่ในเรือนยอดหลังเดียวเท่านั้นคือเรือนยอดมหาวิญญาบันลังจานวนมาก บรรลังที่เราใช้สอยคือบัรลังใดบรรลังหนึ่งเท่านั้นช้างและม้าจํานวนมากที่เราขี่ก็ขี่เพียงเชือกเดียวหรือตัวเดียวเท่านั้นคือพญาช้างตระปูลอุโบสถและพญาม้าวลาหกราชรถจํานวนมากราชรถที่เราใช้คันเดียวเท่านั้นคือเวชยันราชรถสตรีจํานวนมากนางกษัตริย์หรือนางแพทย์คนเดียวเท่านั้น ที่ปรนิบัตเราวันนะสี่คือพรามกษัตริย์แพทย์สูตรแพทย์ในที่นี้ไม่ใช่หมอรักษานะครับแต่หมายถึงวันนะของพ่อค้าผ้าจำนวนมากผ้าที่เรานุ่งมีเพียงกู้เดียวเท่านั้นสำหรับอาหารจำนวนมากมีสำหรับอาหารที่เราบริโภคเพียงสำหรับเดียวเท่านั้นคือข้าวสุกธนานหนึ่งเป็นอย่างมาก พร้อมด้วยกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้นดูเถิดอานน์สังขารเหล่านั้นทั้งปวงล่วงลับดับไปผันแปรไปแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายไม่น่า ย, ยินดีอย่างนี้แลอานน์ข้อนี้จึงควรเบื่อน่ายควรคลายกหนัด ควรจะหลุดพ้นไปจากสังขารทั้งปวงโดยแท้อานนท์เรารู้ว่าการที่เราเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตได้รับชัยชนะมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการได้ทอดทิ้งสรีระเวนะสถานที่นี้ถึงหกครั้งแล้ว การทอดทิ้งสริระครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดอาโ น, น์เราไม่เห็นสถานที่อื่นใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกรมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่ตถาคตจะทอดทิ้งสริระเป็นครั้งที่แปดเลยพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศัสดาได้ตรัสวยากรณะพาสิบนี้